ศึกตัวไหนวะเอกินข้าวเจ้าบ้านแล้วไปศึกมันแมนบ่กินข้าวเจ้าบ้านให้ไปพอน้ำยังไงถูกกินข้าวเ้าบ้านแล้วไปศึกศึกกองคอ๋อทาไมมันศึกมากนักวะ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 แต่ข้อสำคัญเมื่อศึกไปแล้วนะ่ะอย่าไปหาอย่าไม่พ้นเขตวัดไปหานจับกลุ่มกันโดดเลาไม่ได้เรื่องนะอย่าไปหาทำนะทิศนาคำน้อยนะหลวงพ่อกอกเช้าก่กเย็นให้เป็นคนดีพอกลับไปยังไม่พ้นวันพ้นคืนไปหาเลี้ยงเล่ากันะหมดท่าแล้ววนะ่ะ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 เลี้ยงฉลองวะไปไปซื้อเหล้ามาเออเอาไก่มาต้มเอาซาใส่สักหน่อยอพอ ก, กินเสร็จแล้วมเมาแล้วตีหัวกันบัดเนี่ยเออเอามีดยำหัวกันบ่นี่ตายทิดนะเขาน้อยติดคุกบ่เนี้เออคอยขี้หน้าหมดเลยเลเมืองนะพวกเรานะเออมาบวชเข้ามาเป็นคนดี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 ถ้าเราไม่ได้ใช้ความนี้กับอย่างวานเหมือนกัน น, ะน่าคิดนะโลกเนะี่ยถึงยังไงกับพวกเรากลับไปกันะใครมีหน้าที่อะไรหน้าที่การงานกพยายามทําทําให้ดีแต่ก็โลกนั้ก็อย่างว่าอีกเหมือนกันถึงยังไงยังไงก็จะถ้าเราพิจารณาดูให้ดีและความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะ ถ้าเราย้อนถามดูสิความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรต้องไปนะไปทำการทำงานอาพอทำการทำงานมีฐานะขึ้นมากับมีคอบมีคัวมีมีเมีย ม, ม, ม, ม, มีลูกมีหน้าที่การงานแล้วทำไปงานสักเท่าไหร่ทำไปทำวา น, นียู่ห้าหกสิบปีกห็นไนหะผมหงอกผมขาวฟันหลุดเจ็บไข้ได้ป่วย พอในส่วนผะตายอีกยังไม่ถึงขนาดนั้นตายก็มีอีกต่างหากและความสุขลราคืออะไรทีนีหาดูสิมันค้นหายัางไงมันก็หาไม่เจอมันนอกจากหาที่ใจของเราเท่านั้นคตนหาที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดพันถือมั่นที่ใจเห็นอันนี้จังทุกขังอนัอนตตา้วเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่มาเวียนไหวขอไม่มาเวียนไหวสำลักใจเลยใจบรรลุถึงอัธรรมแล้วนะรู้รู้แจ้งเหตุจริงนะไม่มาเกิดอีกนั่นแหละความสุขที่แท้จริงถ้าหาว่าเราไปค้นหาเนี่ยอันไหนคือความสุขที่แท้จริงสรุปแล้วก็คือมันออกไปก็คือมันสู่กิเลสไม่ได้ กิเลสตัวไหนที่มันหนักหนาทวงที่สุดเรื่องนี้คือเรื่องการมกิเลสผู้ใ ด, ดอย่างนั้นตัวการมกิเลสตัวนี้่เป็นตัวถ่วงสรพรพสัตว์ทั้งหลายมันยิ่งกว่ากาวตรายช้างอีกต่างหากมันติดขนาดนั้นนหละเ อ, อเรื่องกามมกิเลสราคา เ, เพศหญิงชายนีย่มันติดถึงขนาดนั้นเออ